โทรมาใช่ไหมรอหน่อยได้ไหมถ้ายังไม่ตายถ้ายังสบายเดี๋ยวจะมารับสายมีเรื่องดวนไหมหรือมีเรื่องปวดใจจะช่วยยังไงอยากเอาตัวเองไม่รอดเบือนกันถ้าจะยืมตังถ้าจะไว้วนันให้ช่วยนะั้น จะให้กันถ้าทอดสะพานตายแล้วยัฟืนขึ้นมารัฟังมีเรื่องดวนใหม่หรือมีเรื่องปวดใจจะช่วยยังไงรอหน่อยเป็นไงเดี๋ยวมารับสายโวรมาใช่ไหมรอหน่อยได้ไหมถ้ายังไม่ตายถ้ยังไม่นอนเดี๋ยวมาคุยกัน